ดา น, นอบาสกอบาสเกิดติดนานอ้าวเป็นปูใช่แล้ว น, นั่นดานมาสกอบา ส, บาสเกิดติดสวนตุเรยียนสนหนาะนี่ยนั่นอ้าวเป็นดวงเนะกาะในต้นไม้นะพระเพรศติดกิว่วเป็นเล่นนะ น, นะ น, นะนั่นเราติดุทธอไปสวรรค์นะไปสวรค์นะนั่นพระองค์รับรองนะรับรองว่าอย่างไงคนหลายเห็นคามคนนั้นเห็นท่าคนะ คนไหนนะภาวนานในละทุฐาคตนะเนะี่ยปิดอบายพรมนักสีได้นะเป็นเมนตตาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนะนะเรานะเนะี่ยถึงพุทธโธได้ขึ้นขนาดมันไหมมันจะมืดเติบนะถูกลกทุนเปิด น, นะนั่นะูกด้วความตายนะเรื่องเ็นสัมโ ด, ดตกลงมานะเพราะเรายังไม่เซบสองชำระชกระนานในพุทธโธเนะีนะ่ย เกิดวันเต็จที่ใดไมาได้เกิดในที่ใดนนี่แหละฉันตายก็ได้ขอให้ตัออกตังจะให้มากพระเนน์มังกายเห็นสุภาองค์นั้นองค์นั้นน่ะคือตรงต่อธรรมะวินัยเห็นถามมังกายเห็นเห็นก็ดอกนะเห็นสุภาพมันไหลออกนะนั่นเป็นยาโอสถของบัมเเทศ์นะจิตไม่กําเลิกนะแม่ออบาชูุบาชสาฉันได้ เด็จะเดียวกันกับพระกันเลยนะนะธรรมะของพระ อ, องค์เป็นสาธารณะเด็กไม่ใช่ฉันเแต่พระแันสสเลยนะเขาหลักฉันเลยได้นะอย่างที่อาจจะมากล่าวมานะนีะน่แหละฉันใดก็ได้ขอขต่างอกต่งางใจให้มากวนตัวลงเป็นเกลียงเป็นเกลียวเถอะนะอย่าไปทิ้งพุทธโธนะแต่เป็นแม่ครัวได้ไงนะทำงานการติดเขียนนะนะอย่าไปทด้งพุทธโธ พุทโธมันก็เกลือเกลือนะผสมอาหารในทุกอย่างมีรถอเลอ่อยด้วยเกลือนะนี่แหละสันไดก็ดีเมื่อทานทั้งหลายนะถ้าจะไี่ฟังอย่างที่กล่ามาอปนิอคน้อมก็มาเข้ามาในหัวใจปบะจุปร ะ, ปะบูชาพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังฆบูชาเนี่ยเราจะเห็นนรืนสอสนไหนพระมาทธศาสนาดึงดูด สมควรกับละเวลายังอัตมะอัตมาวิสัชนามาเอวังก็ไม่ด้วยประการเชนนี้บารมีคนขามุ่รักพระเจ้าบรรนาพระเจ้าทั้งหลายที่มีคนมากที่สุดมนกาดโลกนั้นคนมาก ของผู้ประชาพิจาราศาสตร์คเคยภาวนาคุของผู้ประชากิจารณาเคยมีศาสตร่ั้นแต่ตอนนี้าจานทั้ง่าวาิโยแ่ถมอย่างเคือรคุณธพระาพรนรคุณธระบชืแม่แกนั้นแกนน เราไปทำวัดมาคุสบ่นวัดคียเช้ามาตั้งดวงของพวกเรานีเขาหัวใจของพวกเราเลยคุบ่นวัาคุเช้าใครจะด้เนีนยอุตส่าห์ตอเนียตอนนี้ขอเชิญท่านคนทีเกิดขอเลยนะให้มาเรื่องคุยบ่นี้อถามมาเล อัลลอฮมินายอะไรออมสัมแะมาเป็นภาพกอดูนะวันมา่่นั้นอมปของาทางมาตั้งงใจของพวกเราน้คอยบาของาทาหนั้นนเนอา้วั้งใจ ตัวเมล็ดของความขุนพระอารย์เจ้าทั้งหลาเม็ดพระอาย์เจ้าทานทัลายท่านเหล่านั้นข้ามนกพฤได้ในประการหน่มล็ดพอาเจ้าท่นเหล่านั้นข้ามอาตุลินได้ในประการหนึ่งเมล็ดพระอารย์เจ้าทรานเหล่าันเนหน เราพค่เรียก่าทุกองค์สมเหตุมาเพื่อานพานแล้วระหว่างที่องค์วมเหตุมาเพ่อพาพ้นพานเปใหม่หว่่านเห่านั้นไม่ใช่เชนกัรเวาถึงเวลาที่ศาสตราในขณะที่เหลือเป็นองคสมเตพื่อเพื่าพุทิโลกในชาตเร็วมาถึงขององค์ทุกพเป็นกุนีีเดียว ท่านรองนั้นนะป่าชุมนันแงคู่หาทองเงินคุณว่าจะข้าวหรือจะนจะขายในกว้างใหญ่วันพระเจ้าถะาลงเป็นศาสโ น, นกว่าทางบกะท่านรนั้นท่านรองนั้นรอดรองธรรมบินแม่ศรีน เราไปเอาล้่งทน ทำบุ์ทำกศอนั่นไว้ให้แก้มัก้บองชิมนะถ้าเป็นพระบุญสรงหวน่าเาจะไม่กลายมาใสเราแก้วเลือดสวรรค์มาเป็นข้าวของทานอย่างไรความทานรบนั้นนะรบนัรอบนั้นคนได้ไม่พบชาตน้าไม่กลายนะเนมาไรโสดต้งราบหูยาน คนทำงานกันกำหักมาตกขาดไปดูขาดหลานดูขาดตุ้ยตุ้ยถ้าแบบนะแล้วทำมานหาโอเทนักทิกาเโลกของปริชาของเรานี่ยคนเราเนี่ไม่พบสาธนะที่จะเนตไกรคนมากอะไรนะแพงนะนั่นว่าแ็งอะไรกันไง เมติะิกเมติญาณมากพระเจ้าแม่ครสมณะโคดมบังลาไดปัญญากรดมเมตตาเสด็สัาหายนะรักษาไอคอนมาจากปุระจ้าอิปปกรณเนี่ยสมเด็จพระเจ้าแม่ครายนะคะวิญญปณ์มัยรักษาเมืองนะรากายขอม่ทั้แปดโลน้นนั่นราเพืะวงปาขณะไสอเอา วัวเยเมีสอยเทตมนานั่นน่าิาสักลดองรนนั่แสดงธรรมจกกเทตรย่างดมา เอมนะเมยนนังวานะเทวดามกเาันนี่กละเอียดมากว่ที่เดิละเอียดนนั่นควาจะแผ่เจลาเรื่นกแกมันเรื่องตัในลึเจลาเหมือนมากรงใส่น่ะลานหนักถึงขนาดนั้นเอะเพราะว่าจะองเงอ แต่ว AL ่าสามารนนอยนะปวดหัดรักษานอนนะไม่ได้อยนะไหนตอนนี้น่ะเป็นเป็นนพยเป็นยู่าดหรืเขาหมาหมาจะหมดนะนอนนะปาคก็นอนปวดหัดรักาไม่ได้นอนจังหวะมากเป็นนอยนอนนะเป็นยานาต้รงไยหาของเหล่านั้ อธิษขานเนีอธิษานขาดนะขาดไปนะแน่นอยนะนอนโยนผมเดินผงเดินพยายามขึ้นสัญญาอนะแยกวางขาขาดนะมันมันพอจะแส้หน้าขึ้นไปแล้วก็ตกลงตกลงแล้วขาด่ปมันมันก็รบไปนะแน่นอยนะคะ เมื่อวานนี้มามาแต่งคนนี้เนาะจีโงเลยมาแต่งนะแต่งเนี่ยเลยนาะเนยเมื่อวานนี้ตแล้วนแล้วเนี่ยวันนี้มาตีงนนะอแวาภาคนะท่านาเธอานะตี่ง่วนะวนะวนะนการ ว h าจะเวรเวรแบบนั้นใจไม่เวรเวร n บบนี้ความเวรเว s ไม่ถึงได้นะเรอยู่นะอยู่หลายคนนะอยากปนเนื้าหลายคนอยากคลุกคลีกายอยาเื่อกาแค่โกมเิดมาคเยแต่แคเตายคเนนให้หมเหนะตนาเหนนเวบ้นบ ว่านะ้าลนะคือหมายความวนะ่าอยาคยกันหวางทีพลัดทีแทนะจะอกพัดที่แทกกรทไปเป็นาจะถือนคนอื่นนะนะถอนสมาธินะว่าห <c oughs> no นแะวที่นี้มาจจะมาผูกทิพย์ <c oughs> <c oughs> ผ่านกาแล้วนะ่าหนวะนิดเียว เล็กไปตรงนัอืมว่าแหวนนั่นน่ะปริโยว่าหวนนั่ไที่นันนะความความเปรียวเนี่ยมชอมัเรวาอย่างดจตนั้นความวุนวายของน่นะมันกในความเดีวกนะนะหวาหวนนเปรียวน่้ถาอบนตคนขวางสุรานามาน ข้างกลางดูในใจของเราในน้และต้องบริการพุทธพุทธขงแดชพระพลเรือพ่อสอนชานะสอนที่ตปุระในฐานท่านเมื่อให้ย่อมกับสมาธิขาขบขาซ้าย เมือม่อความัเมื่อสายแม่วางใครนนะเ่อกาวิเวชนะกายวิเวชนะความสงบากายะให้ตัดสินอย่างเดืงว่าเราอยู่นีนี้นะย้ายเรื่องการย้ายทุกเคกื่อนกันว่ามีคนมากนะ<ม>ให้ตัดสินว่าเราคนเดียว วคนเดียวแกเจตตาคนเดียวนะใครแทนไม่ได้ น, นี่มีแต่สียใจวัที่เนี่ยหรือเลยคือว่ า, าววกายบวชกายบวชความสง่ากาย น, นะ่ยไรประการว่าจีวเวสัตทเละระหว่างพละหนึ่งตา อย่ยันเนสะียงอบติอิพุตโกความสำนักา ท, ทาตานะนี่ภาษาะเรียกว่าบัญชีวิเวนะพีเทนะินนนะนนนะต้องเปลี่ยวที่สุดเยวที่สุดนะว่าวว่าวนะความเปี่ยวความว่าเวทีนี้นนะคือหมายความว่าชำระในวานอัปเรกอย่งางไรอุจจรุณิตนะ เน่บอลเน่บอลไ mm. ม่หาย่างอมาผสมในดวงเกตนะ mm. นี่น่ละอาศัยในที่บิเวกนะเปลี่ยว mm. ว่าแวนะนั่นเปลี่ยวด้วยว่าเวด้วยนะนั่นเ น, น่เบียกว่ามันโดนบรเวกนะ mm. มัดโดนรบริเวกมัดโนบเวกแล้วมั น, ม น, นะมน ค, คล้ายๆก็ว่าเป็นภาชนะทองที่ขาดไปแล้วไปแล้วนั่น คอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาเนะี <c> ่ย <oughs> ตอนนั้นตอนนั้นโอบริโกนามคุนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนีน้อมองมามันเคยคลายทองมาประทับในดวงจิตของเรานะน่ให้นึกให้เคิดเห็นัดนเราเน่ยต้องไม่ เ, เละโอตะปากเป็นงกัวพระองค์อายพระองค์นะไม่คลดนอก เลือดนอกลายนอกธรรมะไปนี่ยเจ็ดสิตรองต่อพุทธอพุทธอนะบริการพุทธอพุทธออย่างเดีอวเ<ม>ให้เจ็ดหนะ้าคุณคอใได้พุทธอนะให้เดือเให้หนาดังให้หัวใจเลือดลมของเรานะด้านาะ น, นอนพุทธอนะให้ชำนาญและอิมพักระอง์สำดักพระพมทธพาพพระองาตว่า ฮะโฮเล่ก็ต่อทำให้มากในพุทธรทำมอสังฆวาเสกอนอภิธรขังเียขังเลยนั่นราวางพุทธรพุทธรเลยเลยใช่ไหมไม่ออกปากก็นักในใจนัน่นแล้วกาหนดพุทธรภาวนาพุทธทหน่าเห็นเนะต้องให้ละอดือทะลวงแล้วมาอารมณ์คล่องลอยจะไปขัดโคอง น, นอดือนะอดือจะเป็นภัยใหญ่เป็นภายใหญ่ องสมเด็จพระพุทธนะพาองกล่าวว่อาอันเด็ดนั้นคล้า ย, ายเราถุยน้ำลายลงไปแล้วเลีย จ, จนเหม็นนักกลียดนักนักเลียดนัก<ม>นั่นอง์สมเด็จพระพุนะมธพาอง้ามห้ามมาทับในชั่ววันนะนั้นแหวก็เด้ดอกจากดวงเกิดอย่าไปเคล็ดไปนักนะที่ผ่านมาแล้วนั่นประกาศเดิมและอิระการหนึง่งอานาคตข้า ง, งหน้านอนอย่าไปเคล็ดไปนัก สิ่งใด ย, ย่อมไม่มาถึงเราอย่ากุนขว้าในปัจจันจรเขาเรียกว่าสมบัติมาสมบัติมามแล้วถ้าอารมณ์อันนั้นอยากเขามาท้ปัจจุบันนะนั่น<ม>เพิกอดเดิอเพิกอนาคตอย่างที่กล่าวมาบริการพดทพศทให้หนักเข้าไปหนักเข้าไป <c oughs> อำนาจพโทแวกลงไปจิตขวักลงไป ทำให้มากถึงขนาดนั้นน้อยลงน้อยลงนะสงอบนะนั่นหากว่าจิตสงบในวะลาเน่ในเวะลาเน่นะนั่นมือสติปกครองมือสัมผัญยาป ก, ากครองรนะักษาความสงบแล้วก็ละพุทโธพุทโธนะรักษาความสงบขึ้นนั้นแทงดูเท่านั้น พระมว่แพอยู่ย่อมแก้ความสงสัยด่สงสัยดวงเกตของเรานะเนเนเธอเดียวนะหอขยสนใจเนาะสําคัญมากแพงอยู่เช่นนั้นมองอยู่เช่นนั้นเห็นอยู่เช่นนั้นในความเพ่งนะแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นอีอปัญญามาขึ้นมาเช่นแล้วเนย แสงไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาเรียกว่าอาจารย์ของธรรมะไม่สอนขึ้นมาเช่น<ม>นั้นแม้เธอเดียวนะอ่านเลยนะย่าเอาข้างนอกมาสอนจิตนะ<ม>ยอย่าเอาข้างนอกมาสอนจิตทำลวนออกมาจากจากพระทอพระทอเถอะพระทอเป็นของใหญ่เนี่ยเป็นของใหญ่เนัน่นบรรดาพระอาจารทั้งหลายมาเกิดในโลกต้องสร้างประเมียใหญ่ ใหญ่ยายมากคือโสดใหญ่ยายมากคือโสดนะมไม่สมัยเดิมองสมเด็จพระพระมีภาคเดินกเสด็ดมไม่พระอนนท์นะตามหลังพระองค์ไปในครั้งนะั้นองค์พ่อก็ท้อนนท์ว่าดูกะอนนท์นะพระาคดนะสร้างบารมีหนะ้าเป็นสตาตราสารด้วยเป็นมนุษย์ด้วยนะหาผลไม้ดีได้ ม่เอาเข็มกีลงในแผ่นเดนเนยไม่ถูกก็องควรของเสถาคตไม่เมย์น่นแหละพระมหาบรุษเวียนวายตายโกตนะสร้างบรยารมีใหญ่โตนะกว้าขว้าจะได้เป็นส ม, มัญยูมาพุทได้จ้านี่ยนั่นนี่แหละฉันได้กไดีพุทธอไปคงครังมา mm. เมื่อได้ชาภาพมากมา่พระ อ, องค์ประทรับอยู่ให้จีคลายนะนั่น เ็ตคนนั้นแปลงพลังแปลงพลังนะนั่นไม่อำนาจด้วยเกิดมานภาพใหญ่ต่อนะไม่ีอำนาจไม่อำนาจแม่ได้ขานภาพไม่ความสงบไม่ผูกสาดของเอตนะเอ็เอตเม่ละสมัยแปลงพลังนะแปลงพลังนะยอมในดวงเอตนะนี่น่แหละอันิสงนะการภาวนาพระทธเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นให้รักษาหลักในตอนใ้ให้มากอความสําคัญของพทุทโธเข้าในอารมณ์อันเดียวความสงบความสงบอันเดียด้ะความสุขมากที่สุดมากที่สุดห า, ขขาประมาณไม่ได้เิ่งกว่านะความสุขของพระบรมเจกาพระพสตร้อยพระองค์นะลอยพระ อ, องค์นะออนะความสุขอันนั้นร้อนนั่น ถ้าที่เจงพระยาบรมเจ้าพระพารองหนึ่งองค์หนึ่งเลยประกอบด้วยรัตนเจ็ดอย่างข่างแก้วมาแก้วคุ้น่คุ้นครางแก้วนะแน่นร้อยพองในความสุขของเธอนะความสงบ ข, ของเธอนะ ม, ขขออนะมันเองโดยอมิตรเลยนะม้คณะอุมาสกุมาศิกรารพระแน่นทีบวชในพระพธิสัตว์ชนะ ทาความส ง, งบอันนี้นะเย็นที่สุดเย็นที่สุดนะเนี่ยอวิต <c oughs> ตินะิะตินะนะเสริมในดวงจิตนะนะอธิจารเกิดวิตติพิ <c oughs> ตินาะทีเนี่ยนะทำให้คุณพองสยองกล้าวเดินทาตัวให้เบาจิตเบาเดนะนี่แล้วบางคนนะเสะื่อมทุกทุกนะบางคนน้ำตาไหลนะนั่น บางคนนะนั่นหาตัวไม่เห็นนะนั่นบางคนนะมาตัวใหญ่เดีอนะนั่นขาเท้าสโศกเดีย น, นะนั่ น, น, นเรียกว่าปีตินะเีติอันใด น, นะทานายจันทร์มั่นศักดสงให้เดิมเป็นอาหารจิตนะ น, นัใครมีปีตินะนั่นไม่ว่าพระไม่ว่าแนอนไม่ว่าอุบาศกเป็นอุมาสิกานะนั่นต้องเกิดปีติ เปตตเลี้ยงใน ด, ดวงกิดนะเปลงปลังนะปลงปล่งนะเปลงปลั่งนะนั่นมิตรอาจารย์เกิดขึ้นใน ด, ดวงกิดนั่นต้องเห็นอาจารย์ของพธิ์ทองโพธิ์ทองจิตใจของเราจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นนะจารา จ, จะะะาราสธารนะธรราอย่างเยี่ยมทีเดียวเปรตอันนี้นะเปติอันนี้นะนนนะสําคัญมากที่สุดนะใครละ ยังไม่ผ่านนะพระเจ้ามาแต่อดีตนะไม่ได้ฝึกหัดมานะนัน่นเวทีไม่มีนะหนักตึกซึกเลยนะนันะ่นแล้วท่านนะท่านเกณนมันท่านหา้ามท่านบอกว่าอย่าเป็นละนะว่าเราไม่มีวาสนาอย่าไปไล่ความเพียรนนให้ทําความเพียรไว้ให้ภาวนาโพธิ์ทอไว้เนี่ยให้เป็นในสัยพระพุทธศาสนาพระอนาคตข้างหน้านะ อยา่าทำตัวให้เลวซามให้เลวซามนะแล้วอกปารหนึ่ง น, นะนะักเส่อมุติทายท่านม่นคล้ายๆก็ทราบอยู่แล้วว่าอักขังมนุษย์เสอักังมนุษย์เสศนะมนุษสสนะเลอที่สุดักอกันมนุษย์เสศสัสะวิทธีทยาทำให้สำเร็จมกัผลนะไอ้มนุษย์นะ มนุษย์เป็นไปชมใหญ่ที่สุดที่สุดนะสวรรค์พรมโลกไม่ใหญ่โซมนุษย์ไม่ได้มนุษย์เป็นเพียงพอทุกอย่างเองแค่นั้นมนุษย์เป็นที่ปชมมนนุษย์นักละกมนุษย์เปิดตได้นไรสารอนะนัมันออกจากมนุษย์อัเรยอย่างไรนะเนี่ย ในที่ใความสุขอุศนนะมนุษย์เทวมนุษย์พมมนั่นมนุษย์โลกุตระโชดิตาทกีตะคะอนาคาอรหันนัมนุษย์ได้ประโยชน์มากที่สดประเสรน์มากที่สดนะเราเป็นมนุษย์นะเรได้ความเป็นหญิงนะเราในความเป็นชายนั่นเลิดมากเลิศมากมันครอบทุกอย่างนะ มันไม่ทุกเดืองไม่สมุทรไยดัองนะในสวรรค์ไม่มเมื่อแต่ความสุขอ่ะไม่ไดนะ้ที่บำเพ็ญอยู่ในโลกนะไปเกิดนะนในเทวโลกนะเส่นกรามด้ตอ น, นี้นะไปหาเกิดทั้งอื่นน ะ, น, ะนี่ยไม่เลิศนะไม่ได้สุขอย่างเดียวนะี่แล้วเที่ยวมายผมทั้งสไม่ได้ทุกอย่างเดียวนะไม่เลิศนะไม่ครอบอริยสัจ อะไรกใส่มมยถึงส่อย่างนี่ไม่สมบทัยไม่ทุกนีน่ไม่ในรลดนะมีมักนะน่มักโคซึ่งแปลว่าพุ้ธทางแล้วนันเอาเพี่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เอาอินพรพเป็นพระพุทธเจ้าเพราะขาดไม่พอเหมือนกับพวกเรามาโนที่เยี่ยมที่สดเยี่ยมที่สดนะเนี่ย แล้วก็ธรรมะเวียนนะัยเลยพยายามที่สดยายามที่สดนะมนุษย์มาเป็นผ้าที่ละเอียดมากงามมากในพักลายเป็นดอกผ้าชน็ดไหนเมืองมาจากเมืองกษต ร, ะรนะนะัเป็นผ้าทิพย์เหน็ดเยิ่ย ม, มากได้ผ้าทิพย์เหน็แล้วน่นะ <c oughs> <c oughs> ต้องได้รับได้ทิพย์ ป, ประณหตเย็บนะ <c oughs> เอาได้แล้วชามาเย็บไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นน้ํา พปกตินะเขาได้ที่ planet เย็บนัยิ่งงามนั่นนี่นละฉันไดนก็ไดอย่าเย็บย่ำชีวิตของเราให้น้อยเนื้อตามใจได้ตกนรกนะอย่าให้เป็นแปล็ดนะเป็นโชกานะเป็นสัตวระชานะให้เยี่ยมจิตให้เยี่ยมในพุทโธนะั่นพุทโธพุทโธเป็นของขลังมากที่สุดนะ อย่างที่กล่าวมามพุทธอเลี้ยงหัวใจนะนี่ก็อาจารย์ยังได้ยังเดิงนะขึ้นมาในดวงกิดนะ<ม>พุทธอพุทธออกความสงบนี้นี่<ม>นี่แหละเรียกว่าสมถะวิธีตอ<ม>านี้ปรันาวิธีนั้น<ม>พระแน่นะนั่นข้ า, าราชารมั่นธนว่า ในระหว่างที่พระไปหาท่านอาจารย์มันที่หนองผือดนายท่านลองขึ้นว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายบวดมาแล้วนั่นะได้เรือนกรรมฐ า, านห้าปลักจากพระอุปชาแกสารลมมานะคะท่านตาตาโจแล้วนั่นะพระอุิชาคนน้อยแม่ก็มาฐานห้านานนะาาั่นทำารมะขผลริบพานแก่ก็นับหมดที่บวชใหม่บวชใหม่ กระแสเนี่ยนะเราก็เหมือนกับพระเนี่ยโนมาขนเหมือนกับพระเนี่ยนั่นะแล้วฟันหนังโนแอนก็โดกนะเหมือนกันนะแต่ต่างเราไม่ได้บวชเป็นพระเป็นแดนนันะเราเป็นโนมาสกเป็นโนมาศึกานะนะกา น, นั่นและอการังธรรมคำแม่สอนขององค์สมเด็จพระพระุหภาพากษ์ เป็นสาธรณะ น, นะมกโพนิพานเอครูภัทรสำเร็จได้นะโสดาบาลสกีตะกานาคาอลัหันเถึงอลัหันเน่เนเธอรน่นนมันสามคนนะในพระกลายพิดกสี่ค น, นพัทยะคนเด่มชุตทนาคนเด่มสันติอมตดคนเดนี่ง แล้วที่เนี่ยทเวยทเวะเทวะของพระยาพิสารนางเขมะคนเดิมอันที่ว่าเราในท่านเราในะเป็นอราหันดิบดิบนะเป็ น, น, นะนหินอุเพยนะนั่นทําเจจไทยสปอดตร่งนะให้เห็นในเรียสัตว์นะฝอกวิาจาัยให้สําเร็จอราหาันได้นั่นาานี่แหะอรหันนะไม่ใช่จาสําเร็จแต่พระแต่เด่นนะพระหัตก็สําเร็จได้ครั่งพุทธการ เนะหตนาใหญ่น้อยอกน้อยใจนะนั่นพะระช้นพระนะนั่นะยาไปทิ้งก็มาฐานห้านะก็มาฐานห้าพระบริชาสังสอนมาแล้วนั่นะอยาไปเอามาโโัดนอปพังคมานมั น, มนเสรถามมนอมยาพระบริชาไม่กล่านะวนักล่าวท่าแต่มันติดท่าแต่มันติดวันณนะนั่นะผู้ชายติดวันณนะผู้หญิงผู้หญิงติดวันณนะผู้ชายวันณนะวันณะนั่ ผู้ชายชอบผูออ้หญิงคนนั้น น, นนะผู้หญิงชอบผู้ชายคนนั้น น, นนะวันณะวันนะผู้นนะชายคนนั้นหญิงคนนั้น น, นนะแหมสงตามเชน่น น, นั้นเช่นนั้นนะเด็ดวันนะแล้วสันโนสันนนะนั่นเกิดคนในดวงเกินะนั่นอาทยาสายเช่นนะั้นแม้ชอบกันแต่งงานกันนะีเกิดโลกเกิดดาออกเปน็นควงออกมานะนั่นะ มันตดวันเนาะต้องแก่วันเนาะไม่ใช่แก่กิดนะแนนต้องจับม้าในสนามใหญ่ไม่จับในสนามใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่มาเข้าในที่ที่แคบแนมะ่จับได้กิทของเราเหมือนกันต้องเข้าในที่แคบคือของอวัยวะทุกส่วนคือ แ ก, ก, ก, ก, กสาล่มานะคะท่านตาตะโจนะนันเจ็ดไม้ค้นคว้าออกสงออกเดชออกไปขังนอกนะนั่นบรรดาพระนาาั่นคือนาสอบทั้งหลายเนี่ยเนี่ยท่านพิจนาแต่เสีษสละลงไปถึงเท้าแต่เท้าขึ้นมาถ้าไม่ส่งเดชออกไปนะนั่นพิจนานะ่นั่น แ ล, แล้วที น, นี้นะอุมาสกุมาสิกาคนไหนพระแนนคนไหนนะม่างกายออกนะให้เห so ็นกระโดกนะนั่นก็โดกกระากอยู่นะนัขาวนะเยื่อในกระโดกอย่างนั้นอย่างนั้นนะนัหากว่าเราไม่เห็นเช่นนั้นแล้วกะประมาณอสก่อนกระโูกเป็นเข่นด้านเข่นด้านขาดคะแนนอสก่อนเดาวสก่อนกะประมาณสก่อนนะนั่นทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเช่นนั้นเช่นนั้นไอ ความโลกว้างขวางสัญญานะทังขานะความจําหมายนะนั่นมันคลายออกซะแล้วพอทําบ่อยๆมันเห็นเนื้อสัตว์เห็นของเกิงนะนั่นเมื่อเห็นลงไปแล้วนั่นต้องพิจารณาอีกกว้างขวางของศีรษะศีรษะน่ะม้ขาวกระโดกขาวอย่างไรงย่อเนี่ก็โดกอย่างไรนัน ลงมาถึงคอนะนะลงมาถึงขันหลังนะก็ดกใหญ่งานอย่งงานชน ะ, นะลงมาก็ดกเท้านะนะที่นาแต่เท้าขึ้นมาถึงที่สะแต่ที่สะลงไปถึงเท้านะก็ดกก็ดกอย่างเดียวน ะ, นะะนั่นพระเนรองไหนอุบาสกอุบาสิก า, ก ค, าคนไหนละเห็นอสุภะแล้วนะนะนะเรียกว่าเห็นธรรมะนะ องค์สมเด็จพระพุทธมเหภาคของเรากราดว่าคนไหเห็นธารมคนนั้นเห็นธรรมโคตนัมันเห็นธรรมเห็นก็ดุกแนเห็นก็ดุกแน่นั่นภาสัเอาอันเดียวอย่าไปเอามากักนะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมเหภาระองเรเอาอันเดียวอันเดียวนะอานาปานสติอันเดียวนั่นพระองค์เอาไว้ในท้องน้อยเซนเดอร์น่นวางพระทายไว้ ไม่เช่นนั้นก็วางพระทายไว้ดาเส็กคือเจมูกนะนันลมมันผ่านเขินผ่านลงนะนันพ อ, องกําหนดล้ในพระทายในพระทัยนะนันลมละเอียดธงก้นล้ลมอย่างกลางลมอย่างจาบนะ อ, อย่างหยาบ ก, ก้นล้อนี่าความลูกความฉลาดของว่าโพลิสัตนะเป็นเกลียวนะนัน ความเพียรไเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะขยันนะนั่นอ้าวความโลกความฉลาดโลก ล, ลมในทองลมในทรายนะต่อไปต่อไปนะพระมหะาโลดนะไม่ยอดหอเหมือนกับพวกเรานะแข่งคลาดเข้าไปเข้าไปอ้าวเห็นลมปั่นขึ้นบังบนคือศีรษะลมลงข้างล่างคือเท้านะนี่ พงทำไปไปทาไปทำ ไ, ไปนะนั่นอ้าวลมพกเส้นขนนะนะั่นทำไปทำไปน่าสาเร็จในเปสุดท้ายหเปสุดท้ายนะนะั่นตัดัลวนุตรสัมมาสัมโพธียานะพราะเขาอันเดียวอนเดียวนะ น, ะนั่นเมื่อนั่งเสริมมุตตัทยท่านจันมัดกระโดกนะมองเห็นก็ดดกนะ แพงก็โดกนะนัะนเห็นอยู่เหนนั้นนะนันน้าความเบื่อหน่ายเกิขึ้นแล้วนันไม่ยากแต่งานนะผู้หญิงนะผู้ชายไม่จแต่งานนะนันแต่งานเอาลกัเมียฉันไม่แต่งานนะเหน็นสุภะเห็นในความเป็นจริงนะนันคนไหนเห็นทำคนนั้นเห็นต า, าคตนี่ยนี่นี่แหละขันใดก็ดีขอตังอกตังใจให้มา ยายกายเนี่ยเป็นก้อนอยู่นะพาณในตรงไหนากายเป็นก้อนอยู่รับวิทยุนะร้อนนะ<ม>ติดโลภติดเสียงติดกินรถพอจะพะร้อนโภบาศกโภบาศิ ก, าก็เหมือนกันนะไม่ทำความเย็บคายในวิปัสนาเนี่ยนั่นเห็ น, นอาวัยวะของตัวเป็นแปลนะั่นกินข้าวเข้าไปาวันเดียวนั่น มันถ้าทำมาทำขาดมันทำงานตึงตังตึงตังอยู่เอื้อคข้มหัวใจเต้นตึกตึ ก, ตกมไม่ใช่อึดกลายไม่ใช่อึดกลายนั่นหัวใจฉีดโลหติตเลี้ยงอวัอยวะทุกส่วนให้มีชีวิตอยู่นี่นั่นี่นแหละอ่าฉันใดก็ได้คอยตั้งอกตั้งใจมากายให้เสร็นอะสุขภามันไหลออกนี่นักินเข้าไปแล้ว แล้วมาทํางานต่างๆตึงๆึงงง mm hmm. ุดท้ายมันขายายออกอุจจาระปัสสวะนะเมื่อคลายออกนะมองทั้งกายทวานะนะนนพระอริเจ้าเห็นในความจริงเช่นไรเช่นไรเถอะจิตไม่กำลับนะจิตไม่กำลังนะจิตไม่กำลิบนะเห็นใะนความเป็นจริงนะนนและ้วเทพพงได้พงกรรมฐานห้าได้ดนะ้ยจิตสบายจิตกเกษม พวกเรานี่ยยังเต็ดโยได้ลบนะแม้โหลบด้านงามไม่งามเนี่ความรักความชังเกิดาากาาขดึ้นแล้วเต็ดอตะกขมาทานนิยบกามสุสุขานิยกเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วร้อนร้อนในร า, า, า, าคะราคะกีซึ่งแปลว่าไฟร้อนเผาหัวใจเนี่ยโทสะกีซึ่งแปลว่าไฟร้อนในโทสะร้อนในโมหนะนะเนี่ย Yeah, mm hmm. เหตุนั้นเขาทบทเลือนกันไม่ได้นะต้องฆ่ากันต้องตีกันต้องปน่นต้องอะไรสารพัดทุกอย่างเถอนนะนะั่หาความสุขมาใส่ตัวอย่างเดียวนะนั่นะไม่คิดถึงไอ้ความลําบากแกคนอื่นไม่คิดถึงไอ้ชีวิตของคนอื่นนะนั่นะเพราะยังไงเพราะไม่เห็นธรรมใจไม่อ่อนใจไม่ม น, นิบนวลใจไม่มีเมตตาใจหดรายหดร้ายใจอมาตยนะ์นะนั่น อำนาจทดทอนะอำนาจสมถะวิธีนั่นแก้ได้อำนาจมีปัชนาความรู้จริงเช็นจริงว่าทุกเป็นยังไงสมุดร่ายเป็นยังไงเราเกิดมาเป็นตุกข์ได้ยังเรนตาบังคับอยู่แท้เนี่ยนั่นเราเป็นเหลือนของโลกเป็นครางของโลกนะนั่งนานก็ไม่ได้เจ็บปวดยืนนานก็ไม่ได้นอนนานไม่ลุกตั้งเทก็ไม่ได้นะนนต้องเปลี่ยนอริยบทนะ เพื่อควาสมสบายของอวัยวะร่างกายนะนั่นะมันป่วยอยู่เช่นนั้ น, นมันป่วยอยู่เช่นนั้นนนัะ่นะเป็นครั้งของโลกนะนั่นชะราไม่อยู่เช่นนั้นไม่อยู่เช่นนั้นนนะั่นผมมอกฝนดดนั้นก็เป็นเกลียวกําลังก็ น, น้อยถอยลงไปมันบอกเหตุบอกผลนะโป่งป่งอยู่เช่นนั้นนนัะ่นมะอกอยูเช่นนั้ น, นประกาศอยู่เช่นนั้น แต่เราบันเดอดานนะเราไม่ฟังคำํำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดานะหมายความว่าธาตุของเราหัวของเราเมียของเราดานะพระเนรก็เหมือนกันคนไหนเนะี่ยยังไม่มองกายไม่เห็นสุภะคนนั้นร้อนดานะนะี่ยร้อนได้วยราคาโทสะโมหะคณะหัดก็เหมือนกันมองกายไม่เห็นสุภะร้อนนะดานระ้อนอยู่เท่นนั้นเขา หัวใจเผาอยู่ถินนั่นนรกโ่งเปว่าร้อนเนี่นอนก็ร้อนนั่งก็ร้อนตกนรกยืนก็ตกนรกนะเป็นนั่นในแหละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตังใจให้มาให้มาก <c oughs> เราเกิดมาในโลกนี่เป็นหญิงที่เลิศแล้วนะเป็นชายที่เลิศแล้วนะอยารร่าทำทุเล็ดนะอยา้าล่วงเส้นล่วงธรรมนะนั่นะ ให้ไม่การบันเพนทานเสบาทเสพกทุกวันนั่นเดศมันส่งมาปัจจุบันปัจจุบันส่งเพื่อนาคตข้างหน้านะนั่นยังให้ไม่เส้นไม่กเรยาธรรมนะนั่นให้ไม่พุทโธในดวงจิตปลื่มใจเปลื้มใจเย็น อ, อกเย็นใจนั่นคนไหนไม่มีธรรมนะนั่นนั่นคนสกปรกคนสกปรกหน้าดำจิต ด, ดำ เกตไม่สูงเกตไม่สงนะนั่นเคลื่อนเตียงทองไม่ได้เคลื่อนเตียงทองของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผู้อ่คลนเลือกอุบายอุบายิโกโาคนนะเตียงทองในะั่นพวกในจิตสะอาดขึ้นนไดนอนเกลี้ยงนอนเกลือกได้ในเตียงทองนะนั่นคนหน้าไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีพนา น, นั่นคนต่าต่ำชา้าหินนะหินนะแปลว่าตำ่ำนึกเ อ, อื้อไม่ถึงเตียงทองของพระเจ้าแต่งดีนะนั่น นี่แหละฉันได้พระเดชกุตัง อ, อกตังจ่าให้มากให้มากเรามาค้าขายนะเกิดมาในโลกนะนั่นมาสร้างบา ร, รมีนะนั่นเพื่อสวรรค์นะนั่นเพื่อพระนิพพานนะนั่นเป็นลูกศิษย์ของพระพรุทธเจ้านะอย่าให้เป็นมิจฉาทิฐินะนั่นคนขี้ตินีตินีเนีน่ยนด่นคนทูตศีลทูตศีลนะคนวางพุทโธในดวงจิตนะนี่ นี่แหละฉันใดก็ได้คอยต่าง อ, อกต่างใจให้มากให้มากวันคืนนะ่าเป็นเงินเป็นทองบนตัวเป็นเกลียวนั่นภานาพุโทโธล้างหัวใจให้สะอาดพุโทโธพุธโทโธอัตมา ก, ก็พูดนะว่ามัน ค, คล้ายกัสบสมูนะนั่นส้มูฟอกผ่าให้ขาวได้ราคาโทษสาโมหาเป็นของดามแน่เปื่อนผ้าที่ขาว กลาเป็นของดำไปจะให้พ้านะขาวด้วยวิธีไดนนะนั่นะเอาผ้าใส่สำ่างเอาน้ำใจอัเซโบฟอกแม่ขยี้ให้ได้เนื้อทีเดียวนะนั่นะแม่ไปละลายน้ำนะททเทละเทไหลเขียวนะนั่นะความดำไหลไปตามกระแสน้ำนั่นผะ้าขาสะอาดไนดะ้เลยแม่พุทธโธอำนาจถึงขนาดนั้นอำนาจถึงขนาดนั่น ล่างหัวใจสะอาดได้นะควรแก่มรรคแก่ผลนะควรแก่สวรรค์นิพพานะนะในหละฉั น, นไดก็เลยขอ้ต่างอกต่างใจให้มากพุทธอพาทอไนดะไม่ใช่เป็นของหนักนะจะแบกหามไม่ใช่ของเบาที่สุดเราจะทำงานประการได้แม่ครัวนะั้นคำราชการนะข้าขายนะอย่าไปเท่งพุทธอทานะ ขางพนักงานอาจจะมาพูดอยู่บ่อยๆว่านางวิสาขามหาศิกานะเป็นแม่ค้าขายของนะกลางวันนะท่านไม่เิ่งเศนเป็นไนม่เท่งเศนะนั่นไม่เท่งก็มาบทสินะนกรศสอนกับบทสิปร่างอยู่ในดวงกีตนะนี่เป็นเดียกาที่เดียวกันเป็นพ่อค้าสมัยนะั้นแม่พรยาพิมิสารตาพระยาเธอเธอนะนั่น ว่าการผ่านพรนะนครกรุงราชคกือหาพระนครใหญ่พระองค์ไม่ลวงเสนนะนั่นเซนหาพราะองค์ประทับอยู่ดึงกีดนี่ความามอดเสพกุศลกรรมมดบกบกุศล ก, กรมกกรมมอดเสพยอมพระทายอยู่นะชุนบานอยู่แต่ไม่หดหูนะไม่เศร้ามองนะนั่นเวลาฉันนดยก็เด น, นะอย่าไม่เท่งพระพุทธประทานมาส่งไปของดีที่สุด ลอ่เลอเทศล่อเทศนะให้พยายามนะนั่นยังอันตรายที่อตาตมาพูดนะอันตรายนะเทนได้นะถูกลกกชนเปินหลุดหลงเข้าไปแล้วนั่นถูกที่สําคัญตายทันทีนะเราจะเลิกพุโทโธได้หรือเปล่านี่บางครั้งถูกหลกเบิดนะบางครั้งลบความนะบางครั้งความเ็นสําฤทธิตกลงมานะนั่นเราจะเลิกพุโทโธได้ทันทีได้หรือเปล่านะนั่น ค็ดมันอยู่ที่ไหนไม่อต้องไปเกิดได้เพรทอเพาทอนะอาจมาเป็นฤกษ์กนยันนอาจะมาต้องกล่าวเคล็นังเหมือนเทินโมโตไทโมยไทพวกขันได้อ่านดูแล้วเป็นบางคตนะเพรทองพระทอเรืยเรื่อยอ่ พระเวระโตทำให้ชนานาญทาให้ชนานาญทำให้มากทำให้มากทาให้มากพททธรี่พอทาให้ฉันไม่ชำนาญในพุทธรเถอะนั่นพุทธร์พรทธร์เรื่อยๆเรื่อยไป <c oughs> แล้วทีนี้ละอดีตนะอารมณ์อดีอยากขวนขวายนะอดีมาเดินใ้จะบงูขึ้นมางขึ้นมาฆ่าพัจจุบันนั้นั <c> ้น <oughs> พุทธร์เถอะ ไม่มีอำนาจไม่แข็งแรงมาท้าพทนะุทธอน่ะท่านองสงแหกนั้นเรียพาวจึงพากลิ้นครึงมาเดดกดทีทรวงไปแล้วนะวันใครขว้างก็ถุนขว้างไปแล้วเรียกียยนเหมาคนนั่งนะกตุยนักนักตุยนักไม่รนะักประธาน และอุปการะอนาคตข้างหน้าน้องอย่าอย่าปะวัตคิดนะเสนใดยัไม่มาถึงเราอ่าคุยคนะเขาเรสมบนะัติบา้าสมบัติบาและเห็นอนาคต น, ะ น, นั่นคุณส ม, มัยพระแม่มาขนะ้าของพระเจ้าพระเจาพระเจ้าเปนนายพรจเติลึกธรรมะพระจ้าไปพระนาคทองพระทองมาที่ไหนนะนัน่ภาวนาของไม่ักมัเป็กปฐมัย พะอันเด็ลตนะเป็นภยยัยใหญ่อย่างแต่ธรรมพกทกให้วางให้วางที่เจ้าชายพิษราคุณ ม, มานะโมโพยานะสุขาดทั้งทุกเลียนที่ป่าติดเมื่อไหร่จวันในกลางได้กลางนัดว่าในวันสุดท้ายที่กัดสิโลกนะพระโพธิสัตว์เจ้าชายพิษราคุณ ม, มานักนัดนะ เมื่อนางวกนี้เวศกัระเดแล้วออเนี่ ย, ร เ, เ, ยเราเป็นพมะราชาได้อยู่ในกรุงคบิลพันได้ครื่งได้หมาทหลายพุ่บรมราวมีคน ส, สดมากขี้สดมากือ้สดนะแม่ราห์นกเกลกองเบอร์หนังนะเบอร์สอง